พวกเราภาวนาคนไหนเคยเห็นสภาวะที่มันไหวขึ้นมากลางอกบ้างไหมเห็นไหวยิบยับยิบๆบขึ้นมาบางคนเห็นหมุนเลยุในตำราไม่มีตำราไม่ได้พูดถึงว่ามันคืออะไรครูบาอาจารย์ท่านภาวนาท่านเห็นท่านก็เรียกต่างๆกัน อย่างหลวงตามหาบัวท่านสอนว่าวัตตะมันหมุนอยู่กลางอกหลวงปูดูลท่านสอนอยู่ตัวนึ่งท่านใช้คําว่ารูปปรมาณูเป็นรูปที่ละเอียดมันมองเห็นได้ท่านบอกมัเกิดจากการสะสมกรรมทํากรรมแล้วสะสมเอาไว้มันก็หมุนอยู่ภายในบางทีท่านเรียกรูปปรมาณูกลุ่ม ถ้าพูดในเชิงปริยัติมันก็มีเหมือนกันแต่ไม่ได้ชื่อประหลาดปรลาดอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านเรียกกันหรอกมีธรรมะยันบอกอวิชชาปัจจยาสังขารามีอวิชชาก็เกิดความปรุงเองนี้เป็นความปรุงของจิตนั่นเองสะสมอยู่สะสมมาจาก อนุสัยเก่าๆสะสมมาจากสังโยชน์กิเลสทั้งหลายเก็บเอาไว้ก็ทำงานสืบต่อพบชาติอยู่ในจิตเองมันทางานอยู่ตลอดวันตลอดคืนเวลาที่จิตเนี่ยไม่ขึ้นวิถีม่อทำงานอยู่ในภวังคจิตมันรักษารักษาพบชาติไว้ไม่ให้ขาด หลวงปู่ดิลนท่านบอกไม่มีอะไรทําให้มันตายได้นอกจากนิพพานงั้นท่านจะสอนว่าจิตพระอรหันต์เนี่ยภายนอกไม่มีรูปรักษ์ไม่มีขอบเขตไม่มีมันไม่มีขอบเขตไม่มีรูปร่างมันไม่มีที่ตั้งด้วยไม่มีการไปไม่มีการมาไปได้มาได้มันยังมีขอบเขตอยู่แต่ภายในเนี่ยไม่มีความเคลื่อนไหว ความเคลื่อนไหวตัวนี้ขาดสะบั้นไปถูกอรหัตตะมักฆ่าตายงันวัดตาก็หมุนทำงานอยู่ตลอดวันตลอดคื น, นทั้งตื่นทั้งหลับหล่อเลี้ยงชีวิตเอาไว้พบชาติไม่ให้ขาดศูนย์นสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆเราภาวนานะ พอเรามาเห็นสภาวะที่มันไหวขึ้นมากลาง อ, อกไหวยิบยับยิบยับยบางทีเห็นหมุนหมุนช้าๆกิเลสเบาก็หมุนช้าหน่อยกิเลสแรงก็หมุนจีเลยในครูปอาจารย์บางองค์ท่านบอกถ้าใครภาวนามาเห็นตรงนี้นะท่านไล่เข้าป่าละอย่างหลวงตาเนี่ยใครเห็นตรงนี้ไล่เข้าป่าทําไมไล่เข้าป่าไล่ไปภาวนาพอเราถ้าได้ยินว่าไล่เข้าป่านยไม่ครบแนละ้ว นะให้ไปทำให้แตกหักซะครูบาอจะแต่ก่อนท่านเห็นช้าท่านดูมาทางกายพวกเราดูทางจิตมีเห็นได้เร็วเพราะงั้นไม่ใช่ว่าเหตุแล้วจะแตกหักได้ทันทีนะกิเลสที่หยาบ ก, กว่านั้นยังไม่หักเลยเรายังไม่เห็นเลยว่าตัวตนไม่มี คล้ายๆเราโชคมวยคํารุ่นไปเห็นกิเลส ช, ชัดละเอียดมากเลยอวิชชาปัจจยาสังขาราอาวิชชาความไม่รู้แจ้งอริยสัจทำให้เกิดความปรุงขึ้นมาปรุงนี้วิญญาณก่อเกิดขึ้นมาจิตก็อเกิดขึ้นมาถามว่าจิตเกิดจากอะไรเนี่ยเกิดจาก น, นี้แหละตัวนี้เกิดจากอะไรเกิดจากอวิชชาความไม่รู้แจ้งอริยสัจ อวิชชาเกิดจากอะไรเกิดจากอาสวะอาสวะกิเลสอาสวะกิเลสเกิดจากอะไรเกิดจากอาวิชชาคราน ว, นวนี้ทวนละทวนงั้นถ้าวันใดทาลายอาสวะไปทำลายอาวิชชาไปตัวนี้จะขาดเมื่อตัวนี้ขาดเนี่ยจะเกิดวิญญาณที่จะไปอย่างโลสู่ภพใหม่เนี่ยไม่ได้จะไม่มีวิญญาณที่ไปเกิดในภพใหม่ลนะ นี่เราอย่งไม่ต้องรีบร้อนทำลายทำไงก็ทำลายไม่ได้หรอกถึงเห็นก็ทำลายไม่ได้รู้สึกไหมไม่รู้จะกต้นปลายอยู่ที่ไหนเลยเคลื่อนอยู่ทั้งวันทำลายยังไม่ได้ไมีไปรีบทำลายมันให้แยกธาดแยกขันไปเ้าก็ดูธาตุดูขันแต่ละธาตแต่ละขันทำงานไปเรื่อยจนเห็นความจริงนะไม่ใช่เราเงเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ต้องไปละอะไรหรอก เมื่อต้นละอันเดียวลกความเห็นผิดว่าขันห้ากายนี้ใจนี้รูปนามนี้เป็นตัวเราเป็นของเรามีสองระดับนะเป็นตัวเราเป็นของเราถ้าลึกซึ้งที่สุดมันจะรู้สึกเป็นตัวเราพอลดระดับลงแล้วเป็นของเราอย่างร่างกายนีย่คนที่ไม่ได้ภาวนาจะรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราแต่พอเราแยกขันเป็น มันจะลดระดับความรู้สึกนี่ม่แค่ของเราไม่ใช่ตัวเราละใครรู้สึกว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรามีไหมแต่ ร, รู้สึกว่ามันเป็นของเรามันลดระดับนะจากตัวเราลดลงมาใครรู้สึกตรงนี้ได้ยกมือสิมีไหมเห็นไหมร่างกายมันลดระดับมันไม่ใช่ตัวเรามีแค่ของเรา ค่อยรานาต่อไปนะก็จะเห็นไม่ใช่ตัวเราเีของเราเองไม่เป็นอะไร่ไเป็นของโลกเป็นของกลางไม่ใช่ของมีเจ้าของเป็นของไม่มีเจ้าของหรอกร่างกายเราเนี่ยว่าของเราว่าเป็นตัวเราเป็นของเราพอตายไปตายไปตัวอื่นเอาไปกินไม่เป็นตัวของคนอื่นละหรือเอาไปฝังดินไว้นะต้นไม้มันดูดขึ้นมา คนไปกินผลไม้นั่นเข้าไปกินต้นไม้นั้นเข้าไปธาตุนี้เปลี่ยนเปเจ้าของไปแล้วเพร น, นร่างกายนี้นะมันเป็นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นของกลางเป็นของผลัดกันใช้ใครกลัวผีบ้างรู้ไหมในตัวเราเนี่ยเต็มไปด้วยผีที่เรากินเข้าไปเองผีน้อยผีใหญ่หนานาชนิดนะ เราก็ยืมซากศพเอามาเลี้ยงตัวนี้ไว้ถึงจุดหนึ่งก็ต้องคืนซากศพตัวนี้ให้คนอื่นเอาไปใช้บ้างมันจะหมุนนะเป็นธาตุไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นของกลางจิตก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราสั่งมันไม่ได้เลยไม่อยู่ในอำนาจนี่เราพยายามมาเรียนให้เห็นความจริง กายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจริงๆมันไม่ใช่อยู่แล้วก็เราไปสำคัญมั่นหมายผิดๆว่ามันเป็นตัวเราเป็นของเราไปหมายรู้ผิดๆถ้าหมาหมายรู้ผิดๆมันไม่ฉลาดมันไม่แยบคายในการสังเกตไม่มีโยนิโสมนสิการถ้ามันแยบคายสักอย่างเดียวมันก็รู้มันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเราแต่ว่าใจมันยังยึดอยู่ เนี่ยหัดดูให้ตรงความจริงดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นดูไปเรื่อยๆจะเห็นมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเรามันเป็นของโลกมันเป็นของที่ไม่มีเจ้าของจิตใจเนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันไม่มีเจ้าของหรอกบางคนไปบอกนะว่านิพานเป็นอัตตา นิพพานเป็นอัตตาเพราะนิพพานเที่ยงสิ่งใดเที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขส er ิ่งใดเป็นส no. <tar> ุขสิ่งนั้นเป็นอัตตาอันนี้เข้าใจผิดเลยไปใช้ลอจิกที่ใช้ไม่ได้ผู้เจ้าสอนอนัตตาในมุมหนึ่งนะบอกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขบอกว่าเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นควรเห็นว่าเป็นตัวเราหรือไม่ควรเห็นว่าเป็นตัวเราไม่ควรเห็นว่าเป็นตัวเราสอนอย่างนี้นะ งั้นก็เลยบอกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาพูดง่ายไปนิดนึ่งไม่ได้แจกแจงว่าพระเจ้าพูดแบบไหนถ้าเริ่มในร่างกายรูปนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค้าสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยควรเห็นว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ของไม่เที่ยงมีเห็นว่าเป็นสุขเป็นของที่พึ่งพาได้จริงจังเลยไม่ได้เป็นทุกข์พระเจ้าค้า ของที่เป็นทุกข์เนี่ยควรยึดถือหรอาว่าเป็นตัวเราเป็นของเราไม่ควรพร่เจ้าค่ะไม่ควรจะเป็นตัวเรานี่มานคนมากง่ายสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาแล้วก็เลยกลับข้างสิ่งใดเที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขสิ่งใดสุขสิ่งนั้นเป็นอัตตานนิพพานเที่ยงนิพพานสุขนิพพานไม่เป็นอัตตาไม่มีเจ้าของ ขันห้านี้กายนี้ใจนี้นะกระทั่งดวงจิตดวงใจของเราที่ว่าเป็นเจ้าของเป็นของเราแท้จริงยังไม่ได้เป็นเลยไปเอาอะไรกับนิพพานมาเป็นเป็นของเรามันไม่มีเราที่เป็นเจ้าของหรอกเงั้นเป็นอนัตตาเป็นของกลางนิพพานเป็นของกลางใครพาวนาเข้าไปเห็นนะไปถึงแต่ไม่ใช่ไปยึดครองปักป้ายสงวนลิขิต ห้ามคนอื่นเอาไปห้ามไม่ได้หรอกเป็นของกลางงันมาพานานะให้เห็นลงมาในกายให้เห็นลงมาในใจร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้เป็นทุกข์ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกจิตใจนี้ไม่เที่ยงมีขึ้นมาแล้วก็ดับไปเช่นจิตที่สุขเกิดแล้วก็ดับไปจิตที่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับไป จิตที่ดีเกิดแล้วกดับนะจิตโลภจิตโกรธจิตหลงเกิดแล้วก็ดับจิตฟุ้งซ่านก็ดับจิตหดหูก็ดับจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับการที่มันมีแล้วไม่มีนี่เรียกว่าอนิจจังแล้วก็จิตทุกชนิดนะที่กำลังมีอยู่นี่กำลังถูกบีบคั้นให้สลายตัวไปใน่จิตที่มีความสุขอยู่ได้ไม่นานความสุขมันถูกบีบคั้นให้ค่อยๆสลายตัวไป จิตที่มีความทุกข์อยู่ไม่นานมันก็ถูกบีบคั้นให้สลายตัวไปอย่างเวลาเรามีความทุกข์เราไม่ต้องไปทําอะไรมันหรอกความทุกข์มันทําลายตัวมันเองได้เหมือนกับความสุขอะอย่าไปคิดว่าจะรักษามันได้เลยเพราะความสุขมันก็ทําลายตัวมันเองได้มันทําลายตัวมันเองมันทนอยู่ไม่ได้มันบีบคั้นตลอดเวลาแล้วมันก็เป็นอนัตตาในแง่ที่ว่าไม่อยู่ในอานาจ ความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายความสุขความทุกข์ความดีความชั่วทั้งหลายจิตทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับเราสั่งให้มันสุขก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้นะห้ามทุกข์ก็ไม่ได้มีสุขขึ้นมาแล้วสั่งให้อยู่นานๆก็ไม่ได้มีทุกข์แล้วสั่งให้หายเร็วๆก็ไม่ได้ อย่าสั่งว่ากิเลสอย่าเกิดมันก็เกิดอย่ากโกรธมันก็โกรธอย่าโลภมันก็โลภอย่าหลงมันก็หลงดูง่ายนะช่วงอย่าหลงเนะี่ยห้ามพวกเราหลงนะห้ามได้ไหมไม่ได้เลยอยู่ได้ไม่หลงได้วินาทีหนึ่งก็เก่งมากแนละ้วห้ามได้ไม่หลงโลภโกรธยังช้าช้าใช่ไหมหลงนี่เร็วมากเลยเพราะใจเราเคยชินที่จะหลง ตัวหลงเลยเป็นตัวพ่อตัวแม่ของกิเลสถ้าไม่หลงสัยอย่างเดียวนะไม่โลภไม่โกรธจะโลภได้ต้องหลงจะโกรธได้ต้องหลงงั้นหลงเนี่ยเกิดตัวเดียวเดียวก็ได้เกิดร่วมกับตัวโลภก็ได้เกิดร่วมกับตัวโกรธก็ได้นะงั้นเก่งตัวหลงเนี่ยตัวโมหะจะเป็นประธานของกิเลสทั้งหลายหัวหน้าโมหะคืออวิชชานั่นแหละ ความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้อริยสัจไม่รู้ทุกอะไรเรียกว่าทุกขันห้ารูปนามกายใจเหล่านี้แหละทุกไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเรียกว่าไม่รู้ทุกรู้ทุกเมื่อไหร่ก็ละสมุทัยเมื่อนั้นสมุทัยคือความอยากอยากอะไรอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกอยากเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ย่อลงมาก็เหลือเท่านี้เอง อยากไปดูหนังก็เพื่ออะไรไม่จะได้มีความสุขใช่ไหมอยากให้สบายใจไปหาของดีของพิเศษกินอยากให้ร่างกายแข็งแรงอุตส่าห์ไปซื้อวิตามินกินข้าวไม่กินอดข้าวเก็บตังไว้ซื้ออาหารเสริมมากินน่าสงสารจริงเลยคล้ายๆเขาเลี้ยงเนื้อเยื่อะนะพอเลี้ยงเนื้อเยอื่อเอาสารเคมีเช่นนี้แนให้กินอย่าเงี้ยไม่เคยกินอาหารอย่างอื่น ได้ค่อยเรียนนะค่อยเรียนค่อยรู้ค่ยดูลงมาในกายในใจนี้มีแต่เของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้ารู้ได้นะความอยากจะหมดไปถ้ารู้ว่าจริงๆแล้วมันคือตัวทุกข์ความอยากที่บอกแล้วอยากสารพัดอยากมันก็แค่อยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ก็มันรู้ความจริงซะแล้วว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ มันจะมาอยากให้มันเป็นสุขได้ยังไงมันไร้เดียงสาจะอยากให้มันพ้นจากทุกข์ได้ยังไงไร้เดียงสาอีกไร้เดียงสาเพรานเมื่อไหร่รู้ทูกข์แจมแจ้งนะั่นคือรู้ว่าขันนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงๆความอยากจะไม่มีอีกเลยการละตัณหานะละครั้งเดียวเราไม่ต้องละอีกแล้วถ้าลาด้วยอรหันตมักขันสุดท้ายรู้แจ้งอริยสัจเนี่ย ปัญญาที่รู้ปัญญาที่เกิดในอรหัตตมรัคเนี่ยเป็นปัญญารู้แจ้งอริยสัจเนี่ยอย่างได้ยินละคังแล้วจิตไหวไหเห็นมันไหวนพวกเราส่วนใหญ่ไม่ได้ดูไกลเราเริ่มต้นดูจิตมาเลยมันจะเห็นเร็วเห็นจิตมันทำงานได้เร็วดูจิตดูจิตนะขั้นโสดาสกทาคาเนี่ยผ่านง่ายนะไม่เสียเวลานา น, าน ถ้าดูกายต้องไปทําฌานใช้เวลาหลายปีฝึกฌานแล้วมาดูกายนี่ลไม่ได้โสดาสกตากาดูจิตจะไปเสียเปรียบขั้นพระนาคาพวกดูกายนะีจะเห็นกายเป็นทุกข์ง่ายเสจะระวางกายง่ายเป็นพระนาคาง่ายกว่าพวกดูจิตพวกดูจิตจะเป็นพระนาคาได้จะเห็น ว่าถ้าจิตอยากจิตยึดจิตทุกข์จิตไม่อยา ก, จ, ยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์อยากอะไรอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเมื่อรู้เลยถ้าไปยึดตัวนี้เราทุกข์มันก็เลยทิ้งมันหมอกันมุมมันเหลื่อมกันนิดหนึ่งแต่ขั้นสุดท้ายนะพวกดูจิตได้เปรียบพวกดูกายเพื่อจะมาเห็นมันไหวยิบยับอยู่ตรงนี้พวกดูจิตเห็นมาตั้งแต่ยังไม่ได้โสดาเลยอย่าดีใจว่าได้เปรียบนะ โสดายังไม่ผ่านเลยสินห้ามียังศินห้าดีหรือยังสินห้ายังไม่ดีถนะ้ไปทําให้มันดีซะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไหมหรือจิตใจล่องลอยถ้าจิตใจยังล่องลอยอ ย, อยู่ก็ฝึกให้มันอยู่กับเนื้อกัตัวซะหากเครื่องอยู่ให้มันอยู่พุโทโธพุโทโธไปก็ได้หายใจไปก็ได้แล้วจิตหนีแล้ว ร, รู้ไ ว, ไว้จิตหนีแล้ว ร, รู้จิตหนีแล้ว ร, รู้อย่าไปห้ามว่าห้ามหนีนะห้ามไม่ได้ อาหนีแล้ารู้ไวะเนี่ยจิตได้อยู่กันเนื้อกับตัวเสร็จแล้วก็เดินปัญญาดูท่าดูขันเขาทางานไปนี่มีคนเขียนจดหมายมาเล่ามีมาเรื่อยๆนะแต่หลวงพ่อไม่ได้ตอบนะเพราะงั้นเป็นการประกาศไว้ก่อนไม่งั้นมานั่งตอบจดหมายก็ไม่ไหวแล้วแค่นั่งตอบคําถามแต่ละวันก็ไม่ไหวแล้วเขียนมาเล่าว่าวันนียเขาไปทางอีสานจะไปวัดนั่งรถไป เจอคนในรถก็คุยกันอ๋อจะไปวัดเหมือนกันจะไปคนละวัดกันอะไรเงี้ยคุยไปคุยมาอ๋อเรียนจากหลวงพ่อเหมือนกันเราคุยแล้วก็สรุปได้อย่างนะว่าที่หลวงพ่อสอนเนี่ยจริงจริงําทำได้จริงๆเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองพวกเราใครเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองบ้างมีมั้มเลวลงหรือเปล่าหรือไงหรือแก่ลง อันนั้นเปลี่ยนธรรมชาตินะใครก็เปลี่ยนเปลี่ยนแก่ลงไปเรื่อยๆดูพวกเรานะี่ยมันเหมือนต้นไม้ที่งอกงามสวยงามนะไม่ใช่โคลกคโสหน้า ม, มืดหน้า ม, มัวได้ยินได้ฟังธรรมะแท้ๆแล้วนะใจมันตื่นใจมันเบิกบานเหมือนต้นไม้ได้รับน้ำได้รับแสงแดดเติบโตเบิกบานสดใส รอเพลีย้ยรอตั ก, กะแตนคือกิเลส ท, ทั้งหลายมากินนะ <c oughs> บางคนระดั บ, บวัวระดับควายมากินเนี ย, ยากหน่อยถ้ารอดไปได้นะเติบโตวสวยงามเอาต้นไม้ไปเพาะไว้เอาเมล็ดไปเพาะไปร้อยมเล็ดหลวงพ่อเพาะขึ้นร่วมแปดสิบมเล็ดเพาะขึ้นมาแล้วนะ มันจะออกด อ, อกผลได้สักกี่ต้นนะก็แล้วแต่เวียนแต่กรรมแล้วเนะเอันนี้ศัตรูรายไม่ใช่ตัวอื่นนะศัตรูไลที่ทํำลายเราเองกิเลสในใจเรานี่เองนี่แหละไ อ, พนอน้พวกหนอนพวกตะกแั่นพวกเฟรียเนี่ยอยู่ในใจนี่เองเวียนกันมานะเดี๋ยวตัวนี้มากินเดี่ยตัวนี้มากินต้นไม้เราก็ไม่ค่อยจะโตพอออกยอดมาก็ถูกแทะไป วันนี้คิดจะภาวนาเพื่อนมาชวนไปเที่ยวซะแล้วเนี่ยนอนมันแท้เอาไปกินแล้วนะหรือเพลียลงเพลียลงนี่โอ้ยสู้ยากนะเชื้อราเชื้ออะไรอย่างเงี้ยเยอะกิเลสนานชนิดนะมันจะวางเราไม่ให้ไปนิพพานเราอดทนนะอดทนสู้กับมันอย่ายอมแพ้ พระพุทธเจ้าท่านยังไปได้เลยทำไมเราจะไปไม่ได้ก็ท่านไปด้วยตัวเองยากนะของเราเนี่ยท่านบอกทางให้ไปนะ้ง่ายกว่ากันเยอะเลยอย่างคนที่ค้นหาทางเองยากคนที่ไปตามแผนที่ที่คนเขาทำไว้ให้อย่างดีแล้วนะ่ยมันง่ายกว่ากันเยอะเลยอย่าขี้เกียจเท่านั้นนะะค่อยๆไปไม่รีบร้อนแต่ไปไม่เลิกเดินทุกวันนะแต่ไม่รีบจ้เาเา้าๆ การภาวนาบางคนรีบจำลูกรีลูกลนรีบทําเร็วๆทําได้ไม่กี่วันทั้งหมดแรงแล้วเลิกไปเลยเคยได้ยินเรื่องกระต่ายกระเต่าไหมนิทานอิศบนิทานโบ ร, โบราณใครเคยอ่านไหมเรื่องกระต่ายกระเตา่าหลังๆมาเอามาทําเป็นเพลงด้วยใช่ไหมมีเพลงแต่ตรวงพ่อไม่ได้ฟังแล้วเราภาวนาให้แบบเตา่าเต่านะเวลาอันตรายมานะก็รวบเข้ามา เก็บหัวเก็บหางเก็บแขนขามีหอันสำรวมญญายตานะทั้งหนะั่นเองรวมนะเวลาอันตรายมาแนละ้วสำรวมอินรี่ทั้งหตาหูจมูกลิ้นกายใจนะพอศัตรูที่เข้มแข็งไปแล้วก็เดินต่อใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบมารมไปไม่ต้องรีบร้อนนะกระทบไปตามธรรมชาติธรรมดา กระทบแล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดกุศลให้รู้เกิดอกุศลให้รู้ถ้านะค่อยๆไปอย่างนี้แหละไม่รีบร้อนว่าจะต้องบรรลุเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นถ้าบรรลุช้าก็ถือว่าโอ้ที่ผ่านมาเราสะสมมาน้อยก็ไม่เป็นไรชาตินี้สะสมเยอะนะสะสมไปถ้ารีบร้อนนะแบบกระต่ายวิ่งเฟ้อดฟ้ตาตาดนะเดี๋ยวเขาโดนเขาจับไปกินแนละ้ว ไม่ได้เรื่องได้เราสังเกตใครเคยเห็นกระต่ายวิ่งไหมวิ่งนิดเดียวก็หยุดวิ่งแล้วก็หยุดวิ่งแล้วก็หยุดนะพอๆกับกระแตกระแตวิ่งกระจึกกระจึกกระจึกนะสูแมวไม่ไดนะ้เอาไปกินหมดแมวมันวิ่งยาวๆ้พวกนี้วิ่งสั้นๆพวกภาวนาแบบกระต่ายใจร้อนจะเอาเร็วๆพรวดพลาดพลดัพลดพรา ด, ดตั้งใจเลยต่อไปนี้จะรักษาศี่แปด ศีลหนะ้ายังไม่เคยรักษาเลยเอาศีลแปดจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสามีมีเยอะนะจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสามีแล้วจะถือศีลประพฤติพรหมจรรย์แล้วบังคับว่าสามีต้องถือด้วยสามีมันถือกับภรรยาผู้ประพฤติพรหมจรรย์นี่มันไม่ถือกับคนอื่นนะสุดท้ายตะบ่าแตกนะทนไม่ได้ให้บ้านแตกซนะีเลียดมากอยู่ๆก็ฉันจะถือศีลแปด ฉันจะนั่งสมาธิทุกวันวันหนึ่งเอาให้ได้หกชั่วโมงเดินจงกรมอีกหกชั่วโมงลาออกจากงานด้วยสละชีวิตแล้วทุ่มเทเออกไม่กี่วันเลยมันเหนื่อยโอวันนี้เดินหกชั่วโมงนั่งหกชั่วโมงมันหนักไปวันนี้เหนื่อยเดี๋ยวเอาไว้พักก่อนวันนี้เอาห้าชั่วโมงเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทดเอาพรุ่งนี้เป็น็ดชั่วโมง ล้มละลายหมดไปไม่รอดหรอกงั้นเราภาวนานะให้พอดีกับตัวเราเอาแค่ลำบากนิดๆลำบากนิดหน่อยนะอย่าเอาพอดีเป๊ะๆนะแค่นั่งสมาธิได้วันหนึ่งหนาทีก็พอใจห้านาทีอย่างนี้มันไม่เจริญหรอกนั่งได้หนาทีเอามันหนาทีให้มันลำบากหน่อยๆหรือนั่งได้สินาทีตั้งใจเอาสักยีนาทีอะไรอย่างเงี้ย ให้ลำบากนิดหน่อยอย่าลำบากเยอะลำบากเยอะใจมันเข็ดแล้วค่อยฝึกไปเรื่อยนะแล้วเสร็จแล้วใจมันจะมีความสุขพอมีความสมผ่อนนาได้มากขึ้นมากขึ้นวันหนึ่งวันหนึ่งนี่นะโอ้ยปฏิบัติได้ทั้งวันน่าจะตื่นยันหลับเลยเนี่ยค่อยสะสมไปอย่ารีบพลวดพลวดพลาดพลาดเดี๋ยวก็เลิกเขาเรียกว่าอะไรนะมีสำนวนอีกันม้าตีนต้นอย่าพวกฝรั่งงงม้าตีนต้น มาตีนต้นหมายถึงว่ามันวิ่งเร็วตอนเริ่มสตาร์ทวิ่งไปสักพักหนึ่งเรื่องมาตีนปลายตอนปลายทางนะวิ่งไม่ไหวแล้วนะงั้นไปแบบเต่านะไปเรื่อยๆอันตรายมากก็สำรวมอินทรีย์ไว้สู้ไม่ไหวละกิเลสรุนแรงมากสำรวมอินทรีย์รักษาจิตรักษาใจของเราไว้นะพอมีเรี่ยวมีแรงแล้วออกมากระทบอารมณ์ต่อ มาดูกายทำงานมาดูใจทำงานไปถ้าฝึกไปอย่างนี้นะก็จะพัฒนาไปได้เรื่อยๆแล้วจะเร็วพวกที่ไม่หวังเร็วจะเร็วพวกที่หวังจะเร็วไม่ได้กินหรอกหลวงพ่อไม่อยากใช้คาว่าช้าด้วยซ้าไปใช้คาว่าไม่ได้กินหรอกอยากจะเอาเร็วๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กินกันใะจเย็นๆแต่ไม่ขี้เกียจรักนษะาศีลห้า ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกระตัวถัดจากนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์คอยรู้ทันรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจให้รู้ไปฝึกทุกวันทุกวันคอยทำไปอเชิญไปกินข้าว